บทที่ห้าสิบหัวอกสะภ้ายบ่ายสองโมงของวันเสาร์ที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์ขณะที่ท่านรครูกำลังรับแขกอยู่ที่กุฏิชั้นล่างนางสาวกิมเจงก็เดินร้องไห้กระซิกกระซิกเข้ามาหลวงพ่อเตียตายแล้ว หล่อนตะโกนข้ามศีรษะแขเกเลือที่นั่งเบียดเสียดกันอยู่หน้าอาสนะอ้าวอีหนูตะโกนข่ามหัวแม่ผัวซะแล้วสตรีวัยกลางคนพูดขึ้นนางกำลังหุดหงิดเพราะยังอีกนานกว่าจะถึงคิวฉันยังไม่มีผัวถ้าจะมีก็ไม่เอาคนอย่างลื้อมาเป็นแม่ผัวหรอกสาววัยเต็มยี่สิบยังมีแก่ใจเถียงโกรธผู้หญิงคนนั้น เลยต้องหยุดร้องไห้ไหนเข้ามาพูดใกล้ๆสิญาตโยมโปรดหลีกทางให้เขาเข้ามาหน่อยท่านพระครูออกคำสั่งบุตรสาวในหิมจึงเดินแหวกผู้คนเข้ามาจะคล้อมหลังให้สักนิดก็ไม่มีโอ้ยกิริยามารยาทอย่างนี้ฉันไม่เอามาเป็นลูกสะั้ยให้ปวดกระบาลฉันหรอกยิ้งคนเดิมว่าอีกหากคราวนี้ นางลดเสียงลงด้วยไม่ต้องการให้คนที่ถูกว่าได้ยินไงล่ะหนูเลียดตายเมื่ อ, อไรและเจนวนสีออกจากโรงพยาบาลแล้วหรือยังท่านเจ้าของกุฏิถามตายเมื่อตอนเที่ยงนี่เองค่ะแม่ให้หนูมาบอกหลวงพ่อว่าจะเอาศพมาที่วัดนี้อาก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลจะมาสวดกงเตกที่นี่หรือ คงไม่ได้หรอกหนูเพราะเสียงมันจะไปรบกวนคนที่เข้ากรรมฐานเอาไว้ที่บ้านนั่นแหละจะเผาหรือฝังละ่ะยังไม่รู้เลยแม่ว่าต้องรอถามอมาม่าก่อนสงสัยอมาม่าแกคงรู้ว่าเตี๋ยจะตายวันนี้แกบอกให้หนูกับแม่กลับมาดูเตีย๋ยบอกถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้มาถามหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดเมื่อวันไปเยี่ยมอมาม่าว่า อีกสามวันพวกหนูจะได้ใช้ชุดกงเตกนะแปลว่าหลวงพ่อรู้ว่าเตียจะตายใช่ไหมทำไมหลวงพ่อไม่บอกตั้งแต่วันนั้นหลวงพ่อน่าจะช่วยเตียอย่างน้อ ย, อยก็ให้น้องสามคนได้เรียนจบซสก่อนหล่อนรายงานแถมท้ายด้วยการต่อว่าท่านพระครูทําไมหลวงพ่อจะไม่ช่วยหลวงพ่อช่วยจนสุดความสามารถแล้วแต่เตียหนูเขาไม่ช่วยตัวเอง ชวนมาเข้ากรรมฐ า, านก็ไม่มาให้เอาแผ่นสวดมนต์ที่อาาสวดก็ไม่เอาครั้งหลังสุดหลวงพ่ออุตสาจดบวชสวดมนต์ผู้ทุคนให้ไปท่องเขาก็ไม่ยอมท่องอีกห่วงแต่เรื่องรร ม, มาหากินเสร็จแล้วเป็นยังไงนี่แหละเป็นเพราะไม่ยอมเชื่อหลวงพ่อไม่ยอมเชื่อเรื่องบาบุญคุณโทษถึงตัวหนูเองก็เถอะ ไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะหนูเป็นคนสมัยใหม่นี่คะเอาเถอะหนูกําลังเศร้าโศกไม่อยากเถียงกับหลวงพ่อตกลงหนูจะไปบอกกับแม่ว่าหลวงพ่อให้เอาศพไปไว้ที่บ้านงั้นหนูลาละจะไปตามน้องสาวสามคนที่เรียนอยู่ลบุรีหล่อนพูดอย่างไม่สบอารมณ์นึกขัดเคืองมารดาที่ส่งหล่อนมาขอความช่วยเหลือจากท่านที่จริงแล้ว ล่อนไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยไม่ต้องไปตามหรอกหนูน้องๆเขารออยู่ที่บ้านแล้วกลับไปช่วยแม่เขาเถอะแล้วก็ไม่ต้องไปบอกหนูกิมฮวยที่กรุงเทพอาม่าหนูเขาคงบอกแล้วท่านพระครูช่วยเหลือทั้งๆที่ฝ่ายนั้นคิดว่าท่านไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยหนูไปละหลวงพ่อหล่อนกราบเหมือนไม่เต็มใจ แล้วก็ลุกเดินดุ่มๆออกมาเหมือนเมื่อตอนเข้าไปแม้กิริยายังกระมาดีดกระโลกแบบเนี้ยหลวงพ่อให้มาเป็นลูกศิษย์ได้ยังไงคะสตรีวัยกลางคนได้โอกาสมินทารับหลังจะเป็นม้าดีดกระโลกหรือวช้างดีดกระโลกอาตมาก็ต้องรับทั้งนั้นแหละโยมที่วัดป่ามะม่วงไม่มีการสอบคัดเลือก แต่น้องสาวเขาเรียบร้อยดีนะคนที่ชื่อเกมหวยอาตมาพูดถึงนะ่ะส่วนแม่หนูคนเนี้ยเขาชื่อกิมเจงท่านพรกครูถือโอกาสอธิบายทั้งที่ยังไม่มีผู้ถามจริงหรือคะไม่น่าเป็นไปได้พี่น้องกันก็น่าจะเหมือนเหมือนกันไม่เสมอไปหรอกโยมโบราณเขาถึงสอนเอาไว้ว่าไม้ไผ่ ย, ยังต่างปร้อง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 ไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับกรอนในที่นี้หมายถึงบทกรอนหลวงพ่อพูดเกือบเหมือนบทกรอนที่ว่าเกือบเหมือนหมายความว่ายัางเหมือนไม่ทั้งหมดคือเหมือนครึ่งหนึ่งไม่เหมือนครึ่งหนึ่งครับเข้าอัตถาธิบายท่านพระครูรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาว่าลักษณะาการพูดแบบนี้น้ำเสียงอย่างนี้เหมือนใครหนอ แล้วก็นึกออกว่าเหมือนสมชายลูกศิษย์ก้นกุฏิของท่านนั่นเองเอาละใครมีปัญหาอะไรก็ว่าไปวันนี้อาตมาเห็นจะต้องเลิกเร็วหน่อยจะไปเยี่ยมศพเตียแม่หนูคนนั้นเขายายมาดิดกระโรกนั่นหรอคะหญิงกลางคนถือโอกาสว่าอีกอย่าเก็บเรื่องของคนอื่นมาเป็นอารมณ์เลยโยมอาตมาขอร้องเธอะเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขา เกา ก, กรรมเขาทำมาอย่างนั้นท่านเจ้าของกุฏิกล่าวเตือนสตรีผู้นั้นจึงได้สงบปากสงบคําลงนายทหารยศพันโทวัยส7ิเจ็ดก้มลงกราบท่านพระครูสามครั้งและจึงเริ่มเรื่องเข้ามาถึงก่อนใครเพื่อนจึงได้พูดทระกับท่านเป็นคนแรกหลวงพ่อครับผมรอดตายอย่างปฏิหารเพราะบารมีของหลวงพ่อคุ้มครอง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 เขาปฏิบัติตามได้การไปทำเรื่องลาราชการแล้วมาปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดจนครบสิบสี่วันและเมื่อเขาลากลับท่านก็เห็นว่าเขาปลอดภัยแล้วพอจะเล่าสู่กันฟังได้หรือเปล่าถ้าได้อัตมาอยากให้โยมเขารับรู้ด้วย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 ได้ไปฝึกซ้อมดิ่งพระสุธาบริเวณเหนือพื้นที่อำเภอชัยบาดาลและได้ประสบเหตุการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับผู้ใดมาก่อนกล่าวคือเมื่อเขาพุ่งตัวลงมาจากเครื่องบินและก็ดิ่งลงมากลางเวหานั้นทหารคนที่ต่อจากเขาคงจะพุ่มตามมาก่อนเวลาที่กําหนดจึงมาชนกับเขาอย่างแรงวินาทีนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่ร่มของเขากลางพอดี แรงประทะทำให้เขาถึงกับสลบในทันทีและคนที่ตกอยู่ในภาวะเช่นนั้นก็จะต้องตายเพราะร่างจะกระแทกกับพื้นเหมือนของที่ตกลงจากที่สูงก่อนถึงพื้นดินทหารพลร่มก็ต้องโยกตัวขึ้นเพื่อจะได้ไม่กระทบกับพื้นแรงเกินไปแต่คนที่หมดสติย่อมไม่มีโอกาสทําเช่นนั้นได้และถ้าไปตกในน้าก็ต้องจมน้าตาย ก่อนสัมปชัญญะจะดับบูบลงเขาระลึกถึงท่านพกรกครูและเมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลประจำอำเภอเขาไม่ได้ตกลงสู่พื้นดินหรือพื้นน้ำหากไปค้างอยู่บนยอดไม้กลางป่ากว่าจะมีคนมาพบและก็นําส่งโรงพยาบาลก็เกือบสายเพราะแพทย์บอกว่าหากมาช้าอีก20สิบนาที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 ผมก็ไปถึงพอดีพวกชาวบ้านยังบอกอีกว่าถ้าไม่ได้รถกระ บ, บะคันนั้นผมก็คงไปไม่ถึงโรงพยาบาลเพราะแถวนั้นไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านสองสามวันจึงจะมีมาสักคันหนึ่งเป็นเพราะบารมีหลวงพ่อแท้ๆผมขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้เมตตาช่วยชีวิตผมเขาก้มลงกราบสามครั้งไม่ใช่บารมีอาตมารกผู้พาน บารมีของผู้พันเองนั่นแหละเพราะถ้าผู้พันไม่ยอมเข้ากรรมฐานอาตมาก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าหลวงพ่อไม่บอกผมผมก็ไม่ได้มาเข้าผมถึงว่ารอดตายคราวนี้เพราะบารมีหลวงพ่อในทหารพยายามพูดยกความดีให้ท่านทักครูเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นอาตมาก็อยากสรุปให้ญาติโยมฟังว่าการปฏิบัติกรรมฐาน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 หน้าแปลกนะครับหลวงพ่อคนที่เข้าชนผมเขาไม่เป็นอะไรเลยและเขาก็คิดว่าผมไม่เป็นอะไรเหมือนกันที่ไหนได้ผมเกือบไม่มีโอกาสได้มาปราบเรียนให้หลวงพ่อทราบเสียแล้วนั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรของผู้พันละเมื่อชาติก่อนเคยเป็นเพื่อนกันและผู้พันก็ทําให้เขาตายโดยไม่ได้ตั้งใจมาชาตินี้เขาก็เลยทําให้ผู้พันตาย โดยไม่ได้ต่างใจเหมือนกันทำไมมาเข้ากรรมาฐานรับรองป่านี้แชปนกิจไปแล้วท่านถือโอกาสสั่งสอนญาติโยมว่าท่านทั้งหลายเห็นหรือยังว่าเรื่องของกรรมนั้นซับซ้อนเหลือเกินขนาดทำให้เขาตายโดยไม่เจตนายังต้องมาชดใช้เหมือนอย่างอัตมาเคยเวียงท่อนไม้ไปโดนสุนัขเลือดไหลออกจมูกวันดีคืนดี อาตมาก็ถูกเสาเต้นหลุดพุ่งมาประทะหน้าเลือดไหลออกจมูกเหมือนกันดีนะที่แว่นตาไม่แตกท่านชี้แว่นที่สวมอยู่ที่แว่นไม่แตกเพราะไม่ได้ทำกรรมไว้คือสุนัขตัวนั้นมันไม่ได้สวมแว่นถ้าสวมก็คงแตกและแว่นตาอาตมาก็ต้องแตกเหมือนกันนี่อาตมาคิดเอาเองนะ ผู้ที่นั่งณนะที่นั้นหัวเราะคลืนในความมีอารมณ์ขันของท่านกรรมที่ทำโดยไม่เจตนาก็ต้องชดใช้ด้วยหรือข้าหลวงพ่อเสียงใส่สาตามมาอีกไม่เสมอไปหรอกโยมอาตมาก็เปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆสมมติอาตมาซื้อแก้วสักโหลหนึ่งก็เข้าไปเลือกเลือกไปเลือกมาเลยทาแตกใบหนึ่งแบบนี้โดยมารยาท อาตมาก็ต้องชดใช้เขาใช่หรือเปล่าถ้าแก้วราคาใบร์รหาบาทก็ต้องจ่ายเข้าไปทั้งๆ ท, ที่ไม่มีเจตนาจะทำให้แตกแต่ถ้าสมมุติเจ้าของร้านเขาบอกว่าไม่เป็นไรหลอกหลวงพ่อผมไม่คิดเงินหรอกอย่างนี้ก็แปลว่าเขาโอโหสิอาตมาก็ไม่ต้องใช้แต่ที่นี้เจ้าจุนักตัวนั้นมันคงอาฆาตอาตมา ก็เลยต้องชดใช้ไปตามระเบียบเอาเถอะในเรื่องนี้อาตมาขอสรุปสั้นๆว่ากรรมเก่าให้รีบใช้กรรมใหม่ก็อย่าไปสร้างกรรมในที่นี้ก็หมายถึงอกุศ ล, ลกรรมนะไม่ได้หมายถึงกุศ ล, ลกรรมเพราะถ้าเป็นกุศลกรรมเราก็ต้องสร้างต้องเสริมเพื่อเพิ่มบารมีให้ตัวเองคนที่มีบารมีมากๆ พอถึงคราวทีดกมชั่วมาให้ผลก็ช่วยให้ทุเลาเบาวบางลงได้ในกรณีของผู้พันแทนที่จะต้องเสียชีวิตก็ทำให้เจ็บตัวแทนอยู่โรงพยาบาลกี่วันละ่ะคนถูกถามกราบเรียนว่าเพิ่งออกเมื่อวานนี้เองครับรุ่งเช้าผมก็มาหาหลวงพ่อเลยหมอเขาบอกอาการหนักมากแต่ผมอยากมาหาหลวงพ่อเร็วๆ เ, เลยภาวนาทุกวัน ปรากฏว่าหายวันหายคืนจนหมอเอ่ยปากชมเขาเล่าอย่างปีติแล้วคุณนายทำไมไม่มาด้วยล่ะเพิ่งฟื้นไข้น่าจะตามมาพยาบาลท่านแกล้งถามเพื่อจะเปิดทางให้เสียงใสๆรู้ว่าในทหารหนุ่มผู้นี้ยังโสดก็เห็นหนอบอกว่าคนคู่นี้จะเป็นเนื้อคู่กัน ผมยังไม่มีคุณาหรอกครับหลวงพ่อก็ว่าจะให้หลวงพ่อช่วยหาแถวแถวนี้ให้พูดจบก็หันหลังไปสบตากับคนเสียงใสจะหล่อนอายม้วนก้มหน้าดูพื้นท่านพระครูพูดทีเล่นทีจริงว่าตกลงตกลงอาตมาจะช่วยหาให้แต่ต้องรักกันจริงๆนะต้องสื่อสัตว์ต่อกันห้ามนอกใจกันทั้งผู้หญิงผู้ชาย อาตมาไม่ชอบให้ผัวเมียนอกใจกันสมัยนี้มีเยอะประเภทผัวนอกใจเมียเมียนอกใจผัวอย่างนี้ไม่ดีต้องรักการสื่อสัตว์ต่อการทำได้ไหมละ่ะได้ครับนายทหารโสดรับคำหนักแน่นและโยมละ่ะทำได้หรือเปล่าท่านถามเสียงใ ส, สหนูอยู่นอกประเด็นนี่คะหลวงพอ่อ หลอนตอบได้เสียงใสๆรู้สึกอายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีอ้าวแล้วกันอาตมานึกว่าอยู่ในประเด็นหรือผู้พันว่ายังไงครับผมก็คิดอย่างนั้นกรุณาช่วยผมอีกครั้งเถอะครับหลวงพ่อช่วยให้ผมได้แต่งงานแต่งการเหมือนกับคนอื่นๆเขาและผมจะไม่ลืมพระคุณเลยชีวิตนี้ผมขอมอบให้หลวงพ่อเป็นผู้ลิขิตครับ นทหารหนุ่มใหญ่สาทยายจริงหรือให้อาตมาลิขิตจริงๆน่ะหรือท่านย้อนถามจริงครับรับคำหนักแน่นงั้นก็มาบวชอยู่ที่วัดอัตมาก็แล้วกันจะด้วยใจกันสงเคราะห์ญาติโยมเขาคราวนี้คนมอบกายถวายชีวิตรีบแก้ตัวว่าผมยังบุญไม่ถึงครับหลวงพ่ออีกอย่างหนึง่งผมต้องรับใช้ชาติ ทหารเป็นรั้วของชาติหากผมมาบวชเสียรั้วของชาติก็จะแหวงแล้วโวเป็นช่องให้ศัตรูลุกรานได้ครับงั้นก็เป็นทหารต่อไปแต่ทำไมถึงต้องแต่งงานด้วยละ่ะไม่เห็นเกี่ยวกับหน้าที่เลยท่านลองใจอีกก็ผมอยากมีหน่อเนื้อเชื้อไขไว้ดํารงวงตระกกนนะครับอีกหน่อยผมแก่เท่าลงรั้วของชาติก็ผุลูกผมจะได้มาเป็นรั้วแทนครับ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 ดิคิดว่าท่านจะจัดการให้แต่งกับคนเสียงใสอาวละ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาตมาจะให้เด็กไปตามเจ้าสาวมาให้ท่านหมายถึงนางสาวเตยเจ้าสาวไหนครับถามอย่างผิดหวังท่านเจ้าของกุฏิอธิบายว่าคือเมื่อสีห้าวันมาเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาท้องสี่เดือนจะมาขอบวชชีอาตมาก็ไม่ให้เขาบวช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 ก็อยากได้เป็นแบบที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองโบราณสอนไว้ว่าเอาลูกเข้ามาเลี้ยงเอาเมียเข้ามาอมมันไม่ดีครับเอออย่างงั้นหรอกหรืองั้นก็มีอีกคนหนึ่งแต่เขากำลังป่วยนะเอาไวใ้ให้ใหายอัตมาจะจัดการให้ผู้พันไม่ใจร้อนไม่ใช่หรือนายทหารหนุ่มใหญ่เห็นว่าท่านพูดนอกประเด็น จึงพูดตรงไปตรงมาตามวิสัยชายชาติทหารกล้าผมอยากแต่งงานกับคนที่นั่งข้างหลังนะครับคนเสียงใสๆคนเนี้ยเขาชี้มาที่หญิงสาวเสียงใสจะหลอนรู้สึกอายจนพูดอะไรไม่ออกได้ไหมครับหลวงพ่อช่วยผมให้ได้แต่งงานกับคนนี้ได้ไหมครับเขาว้าววอนหันไปสบตาหลอนเลยถูกคว้างค้อนใส่ กระนั้นเขาก็คิดว่าหล่อนค้อนได้สวยท่านพระครูจึงพูดเป็นงานเป็นการว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่เฉกขิจของสงอาตมาไปยุ่งด้วยไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะเป็นอาบัดให้ตกลงกันเอาเองอาตมาไม่ขอเกี่ยวข้องและสองรายแรกทำไมหลวงพ่อจัดการให้ได้ล่ะครับนายทหารหนุ่มใหญ่แยง้ง สองรายนั้นอาตมาพูดเล่นเพราะรู้ว่าผูกพันไม่ยอมตกลงแน่อาตมาอยากลองใจผูกพันเล่นเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกเอาละโยมมีอะไรก็ว่าไปถึงคิวแล้วไม่ใช่รึท่านพูดกับหญิงสาวเสียงใสคุณพ่อคุณแม่ให้หนูมานิมนต์หลวงพ่อไปงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ค่ะหญิงสาวบอกธุระที่ไหน เมื่อไรหลอนบอกสถานที่วันเวลานายทหารหนุ่มใหญ่ได้โอกาสจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมขออนุญาตมารับหลวงพ่อไปงานนี้นะครับผู้พันไม่ทำงานหรอกรือวันที่ยี่สิบแปดเป็นวันพระฤหัดนี่นะผมลา ง, งานครึ่งวันได้ครับแล้วรู้จักบ้านงานหรือถามอีก ประเดี๋ยวผมจะขออนุญาตหลวงพ่อขับรถไปส่งเขาครับบ้านอยู่ทางเดียวกันเขาสรุปง่ายง่ายหนูขับรถมาค่าหลวงพ่อหญิงสาวเรียนท่านพระครูแล้วค้อนให้คนเสนอตัวงั้นผมขับตามไปก็ได้ครับเขาว่าอีกตามใจจะเอาอย่างนั้นก็ตามใจว่าแต่ว่าจำทางให้แม่นแม่นก็แล้วกันเกิดพาอาตมาหลง เดี๋ยวจะไม่ทันเริกเขาท่านยำ้ำรับรองครับนั้นผมขอกราบลาเลยนะครับท่านพระครูหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาจดและพูดกับหญิงสาวว่าเอาละ่ะอาตมาจดไว้แล้วตกลงโยมจะให้ผูพัน์เข้ามารับอัตมาหรือว่าจะให้ไปเองหนูต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะหล่อนตอบเลี่ยงไปอีกทาง เสร็จธุระแล้วจึงลาท่านพระครูนายทหารหนุ่มใหญ่เดินตามหล่อนไปติดๆทั้งที่ฝ่ายหญิงไม่ยอมพูดด้วยเขาเรียกว่าโชคสองชั้นดูเอาเถอรอดตายมาอย่างปาฏิหาริย์และยังมาเจอมาได้พบเนื้อคู่ท่านเจ้าของกุฏิพูดกับญาติโยมที่นั่งอยู่นัที่นั้นเขาเป็นเนื้อคู่กันหละคาหลวงพ่อสตรีวัยยี่สห้าถามอย่างนึกเสียดาย ในทหารหนุ่มผู้นั้นท่านพระครูรู้ใจจึงตอบว่าถูกแล้วโยมแต่เนื้อคู่ของคุณโยมไม่ได้เป็นทหารหรอกอยากรู้ไหมละ่ะว่าเป็นอะไรอยากค่ะหลวงพ่อกรุณาบอกหนูด้วยเถอะค่ะบอกก็ได้เขาเป็นประหลัดอำเภอจ่ะแต่ตอนเนี้ยเขาไปหลงรักนางเอกลิเกเลิกกันแล้วถึงจะมาเจอโยมเอาละ่ะ บอกแค่นี้แหละและพูดกับคนอื่นๆว่าเอาละใครมีอะไรจะถามหรือว่าจะปรึกษาเรื่องอะไรเชิญได้ท่านพระครูกว่าสายตาไปทั่ ว, วและพูดว่าแม้วันนี้คิวยาวจังเสาร์อาทิตย์นี้ ควรจะต้องเพิ่มรอบเช้าอีกสักรอบหรือคนจัดคิวว่ายังไงท่านถามในขุนทองซึ่งนั่งสปปงกอยู่เบื้องหลังอ้าวหลับหรือขุนทองเอ้ยเรียกด้วยเสียงปกติหากก็ทำให้คนถูกเรียกถึงกับสะดุง้งหลงลุงมีอะไรให้หนูรับใชเหรอฮะเขาถามกอชงน้ำชา ก, กาแฟมาแจกแขกหมดทุกคนแล้วไม่น่าจะมีงานอะไรอีก ข่าถามว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยน่าจะเพิ่มรอบเช้าอีกสักรอบเกรงใจใญาติโยมเขาต้องมาคอยนานหรือเองว่ายังไงก็ดีห่าหลงลงุงหนูก็กําลังจะปรึกษาหลวงลุงอยู่เหมือนกันสองวันเนี่ยเป็นวันหยุดคนมักจะมามากเป็นพิเศษแต่หลวงลุงคงต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกทุกวันนี้ก็จำวัดได้แค่วันละสองชั่วโมงเท่านั้น หนูไม่อยากให้ตรากรรมจนเกินไปเดี๋ยวหมอรู้เข้าก็จะมาว่าหนูดูแลไม่ดีแล้วอีกอย่างพูดยังไม่ทันจบท่านพระครูก็ขัดขึ้นว่าพอพอไม่ต้องร่ายยาวแม่ขัดถามนิดเดียวตอบเสยยาวยืดเลยสมชายไปไหนไปบอกมาดูรถได้แล้วสักพักจะไปงานศพท่านสั่งการ ล้านชายลุกออกไปและพูดกับญาติโยมว่าลูกศิษย์วัดป่ามะม่วงมีทุกแบบเลยโยมจะเอาแบบไหนล่ะอย่างว่าแหละที่ดีๆเขาก็ไม่มีเวลามารับใช้ที่มารับใช้ก็ไม่ค่อยจะเต็มบาทเต็มเต็มสักเท่าไหร่ก็ต้องทนทนกันไปเอาละใครมีอะไรก็ว่าไปหลวงพ่อคะหนูมีปัญหากับแม่ผัวคะ่ะสตรีอายุสามสิบเศษเอ่ย หล่อนมากับน้าสาววัยห้าสิบปัญหายังไงล่ะโยมไหนว่าไปซิหล่อนไม่พูดหากนั่งร้องไห้กระสิ ก, กระซิคนเป็นน้าจึงพูดแทนว่าแม่ผัวเขาร้ายข้าหลวงพ่อแก่งใช้งานสารพัดแถมยังถายเงินแถมยังไถเงินใช้พอหลานฉันหาให้ไม่ทันก็ยุลูกชายให้มีเมียใหม่แร ก, แรก ลูกเขาก็ไม่เชื่อแม่เขาแต่ตอนนี้กำลังเชื่อคะ่ะจะทำยังไงดีล่ะคะหลวงพ่อแล้วโยมรู้ได้ยังไงว่ากำลังจะเชื่อท่านย้อนถามก็เข้ามาข อ, อยาจากหลานชั้นนะสิคะเขาว่าเขาเห็นแก่แม่หาว่าหลานชั้นไม่ดีกับแม่เขาคนเป็นน้าอธิบายข อ, อยาก็ยาไปเลยจะได้หมดเรื่องหมดราว ได้ยินดังนั้นคนเป็นลูกสะภ้ายก็ร้องไห้หนักขึ้นท่านพระครูพูดปลอบว่าใจเย็นๆน่ะโยมอาตมาลองใจเล่นเท่านั้นเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้ไขรับรองว่าไม่ต้องยาท่านรู้สึกเห็นใจหญิงสาวเพราะรู้สึงถึงหัวอกของคนเป็นสะภ้ายที่มักจะถูกแม่ผัวกลั่นแกล้งในเจ็ดชาติที่ท่านระลึกชาติ นึกย้อนถึงอดีตนั้นได้มีชาติหนึ่งที่ท่านเกิดเป็นสะพ้ายเขาแม้จะล่วงการผ่านพ้นมานานแสนนานข้ามพบข้ามชาติหากท่านก็ยังจำความขมขื่นในครั้งนั้นได้ดีจึงให้ข้อคิดกับคนฟังว่าญาติโยมโปรดจำไว้แม่ผัว ก, กับลูกสะพ้ายนั้นน่ะมักจะเป็นคู่เวรกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติรายไหนก็รายนั้น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 ก็จะกลายเป็นว่าท่านอวดอุตริมนุสธรรมพวกแม่ผัวเนี่ยทำไมถึงได้ร้ายนักคะหลวงพ่อนี่ดีนะว่าเป็นหลานฉันถ้าเป็นฉันละก็หึหล่อนคบเคี้ยวเคี้ยวฟันโยมจะทำยังไงเกิดโยมเป็นสะพ้ายและโดนแบบนี้จะแก้ไขปัญหายังไงท่านจักจะนึกสนุก ฉันก็ถลกนังหัวแม่ผัวมาทำกรองนะสิคะคนฟังหัวเราะชอบใจท่านพระครูเองก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โชคดีที่ไม่มีแม่ผัวนั่งอยู่ณที่นั้นแม้แต่คนเดียวมิฉะนั้นคงสนุกกันยกใหญ่โอ้โหคิดเหมือนอาตมาเปียบเลยตอนนั้นอาตมาก็คิดอย่างที่โยมว่ามานี่แหละแต่เดี๋ยวนี้เลิกคิดแล้วพอมาเป็นพระเลยเลิกคิด แม่ดิฉันอยากจะเป็นลูกสะพ้ายเขาซะแล้วสิคะหลวงพ่อคนเป็นน้ารู้สึกดังที่ปากพูดอย่างงั้นหรือตอนนี้โยมอายุเท่าไรแล้วล่ะห้าสิบค่ะสาววัยเที่ยงคืนตอบอ่ออายุห้าสิบยังคิดอยากแต่งงานอยากเป็นสภพ้ายเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอมยิม้ม บรุษและสตรีที่นั่งในที่นั้นต่างก็มีใบหน้าอันเปื้อนยิ้มได้กันทุกคน